คนเราต้องมีความคิดถึงอยู่เสม อ, อนักปฏิบัติถ้าบว่คิดถึงจะเล้นว่าเป็นนักปฏิบัติเหตซื้อเหตุเพื่อให้คนอื่นว่าเจ้าของเป็นนักปฏิบัติ <c oughs> เมื่อวานในตอนแลมหลวพ่อขาวาให้ฟังใน ต, ตอนมือสวยใหล้ลง ตีละครั้งโปองหนึ่งพ่อมาแล้วเพื่นว่าพาะต้องมาเนตต้องมาเรียบร้อยเนตต้องเป็นหน้าที่ปฏิบัติเรื่องตีละครั้งพาะก็เป็นหน้าที่ปฏิบัติเรื่องตีละครั้งเพื่นว่าแต่พระผู้นำนั่นแท้มาที่หลังเพื่อนก็รู้จกักมันมาพอดีตีละครั้งแล้วคำนวณแล้วพรผู้น้อยเนตมาแล้วพาะผู้เป็นลูกวัดแล้วก็โยม เรต้องหล่เอเรียบเบื้องพระเนรองคใดโบมาผู้ยากและบัณฑิโยมเขาก็กันผู้ใดโบมาผู้ยากโแม่มาอาศัยปฏิบัติธรรมจริงจริงมาอาศัยก็มีทางไปคนเกลียดค้านก็มีงานทำหรือขี้เกียจผูอยากแคหยังอยากอาศัยยู่กินนอนซื้อเป็นว่าผู้ดีคนแบบนี้ มา ออกมือจะผมให้เตือนหนึ่งสามร้อบยบาทอาจารย์เลยโบได้ถ้าเจได้เปานโบได้เอาเงินมามารวมกัน ทำมาหากินซื้อขายหนองกระผมสอนแต่ไม่ส้สอนอย่างที่รู เองว่าเป็ทางไปก็ต้องไปปฏิบัติธรรมมากเพื่อแก้ไข ลอเถึงคาร ด, ดูจิตดูใจไม่มีใครมาบอกผมผมเห็ดไปทุกคนจริงใจ <c oughs> แล้วก็เลยรู้ ไม่嘛 ผมเคยเป็นโยมอุปธรรมเพื่อนกูบาจานแถวนั้นผมรู้ดีเพราะผมเป็นโนยมเนี่ยสมัยผมเป็นโนยมผมสแสวงธรรมเมื่อ ผมไปบ้านนะัโขกมาออกมาก็เห็นยูฮันนะ่ะว่ากับหลวงพ่เภชรหลงเพศรให้ยูฮันท่าบางทีอาจัยเอืนเ่นมาขอดมก็เลยท่าเรื่องนั้นเรื่องนี้การศึกษาเราเรียนมีผมรู้ทันได้ ไปสองครั้งอยู่กับ ไฮโน เดิมบนมาเท กัเมื่อยี่สิเก้าน่ะ เวลาหลักหน้าที่หลักการหลักงานจึงจะเป็นหนักปฏิบัติผมเองเนี่ยรับรองได้วิธีอันนี้เรื่องรูปานามเนี่ยย่างนานที่สุดโมกกินสิบมือถ้าคนมีศรัทธาจริงๆนะครับมกกินสิบมือรูรุนบัดนี้เรื่องปรามา แต่นเองก็มีคนรู้บางคนบางคนก็บรรู้บรรู้พ่ออย่างมันบวชเฮ็มันเมาซื้อซื้อเมาซื้อซื้อเนี่ยบวเงินผมหน้าอนุโมทนาไปกลางคืนผมไปค่อยๆไปมิดๆไปกว่้าราชการูุจักอาจจะก็ทําหันไปตอนเวลาตอนเศร้าตอนพอยิบงุ้มมงนอนเขาก็ค่อยๆไปแต่เขารารหุ่ จ, หจักวิธีที่จะไปหาหนังปฏิบัติ อันนี้วิธีสดของผมถ้าเอาไปเป็นกําหนดไปเป็นเวลาคนพูกนั้นเขาระวั ง, ถ, งวถึงเวลาเท่านั้นพระจีหมาเนี่ยถึงเวลาเท่านั้นพรจีหมาเขารู้่งจักเขาทําได้เวลาเขาไปนั่นแล้ว อ, อกจากนั้นแจะกระทําเลยครับนั่งเห็ดอื่นหรือเห็ดยักอื่นไปมีดวงตาคนหนึ่งมาจากเมืองลาวเขาเป็นเจ้าคณะเมืององินเด็กอนเขาเอิญ จริงทำจริงวิธีสอนมันไปจะนสูมีกำหนดยันนีเวล้จอากไปยังได้ไปแต่ว่าไปแล้วจะไปปุย น, นันวิธีผมถามเนี่ยน้อยโบราณถามแล้วจริงก็ทราบไปก็ตามไปจากสารเชื่อแล้วเห็นว่าจริงจั ง, จงมันก็ปล่อยไปเสียเนี่ยคิดปฏิบัติกระได้ว่ปฏิบัติกระได้ฉะนั้นมาถาม มนสว่างคันไม่สว่างยังเหาไถ่ไฟ้าเนี่ยมันสว่างสามารถรู้ว่าโอ้คำสอนของพระเจ้าเป็นอย่างสี่งนี้มีหุ่นยักษ์สันมันสว่างสว่างภายในจิตใจคล้ายๆเกอบเปิดประตูออกจากที่มืดมาสู่ที่แจ้งนี่แหละครับเมื่อเป็นสันหนักตื้ออยู่ลอยเปื้อนเศษเนี่ยมันต้องสลักทิ้งเบาออกไปรูมันรู้อย่างนั้นไม้ว่าที่เป็นไม้ เป็นกยังสีว่มีผู้รู้กับเป็นกยังสีความเป็นภาพปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นทีเดียวครับนี่แหละบุญนะั้นบุญคือรู้บุญคือเข้าใจพ่แม่เขาจิไปตักบาตรแล้วได้บุญอันนั้นก็ได้อยู่บุ่นะบุญอันนั้นไห่ไอ่ก็รู้ศาสนาอื่นเขาก็รู้เขาก็เห็นใจ้พุทธศาสนาเนี่อันนั้นก็บได้ตรรมนี่บุญแบบนั้นเด็กน้อยเห็นก็ได้ผู้ยยใหญ่เห็นก็ได้คนนอกศาสนาเห็นก็ได้คนโบลู้ให้นก็ l k e it โทสะโมหะโลภะเนี่มันจืดมันจางไปเรดครับแต่คอนผมรู้จักว่าโทสะอมโกดโมหะอมหลงโลภะผมยากมองซื้อๆมันว่าเห็นเนียครับส ม, มุติเทศฝังมัมานผมเอาในส่วน เปี่ยนอันมณจใจเปี่ยนเข้าไปรูปไป็น จะว่าอาจารย์ก็ต้อนหาผู้ที่รู้พอสมควรแคาหาเป็นบอหาอาจารย์หาบุปเป็นแล้วพอเขาบูรู้เด็เขาบูรู้แล้ไปหาได้ยังไงหาอาจารย์เขาต้องรู้จริงๆก่อที่จะรู้นั่นคือจังวานี่ยเขาต้องหลักการหลักงานพอคิดถึงอยู่สันคล้ายๆคือมีที่คลองอันใดเขาคิดถึงอยู่นั่นแหละคคิดถึงเว ล, เว ล, า, เวลาเขาเนอ น, อนมันก็คิดถึงอยู่สันอยากรู้อยากเห็นอยู่สันมีศรัทธาจริงๆอเนี่ยอย่าศรัทธาเสื่อสิ่งที่คนเสือ่อ แต่ความศรัทธาเนี่ยคือศรัทธาเสื้อให้ทานรักษาเสินทางกรรมฐานนะฮะนั่นก็ถูกอยู่ว่าขมเมนเนะครับเสื้อญยาดเสื้อขมรู้เสื้อขมเห็นขมเข้าใจคนนี้ครับรู้อย่างนี้ผมรู้นึ่งรูปหนังขณะหนึ่ ง, งสองูปธรรมะในสองขณะครับเทือเดียวได้สองเทือขีดใจผมเปลียงลูกครั้งที่สามนี่คือเทื่อเดียว ได้สองเถือนทีใจผมเปลี่ยนแปลงไปแลครับครั้งสุดท้ายนี่นะครับมันน่างึ๊หน้หนาตาจันทร์ครับผมก็เคยเป็นเดือสัน่นผมวนนึกว่าคําสอนให้มีความรู้สึกที่จะเป็นเดือสัน่นอันนี้แหละสาคัญครับคล้ายๆคือน้าสายน้อยๆมันรวมเข้าไปเป็นสายใหญ่ได้คล้ายๆคือน้ำห้วยน้อยๆเนี่ยมันจะเป็นห้วยใหญ่มันจะเป็นลงเส้นน้ำโขงลงเส้นทะเลผมว่าครับควมรู้สึกอันนี้ครับ มันจะรวมตัวเขารวมตัวเขาไปถึงที่สุดจะกินครับเมื่อผมถึงควมประสงสัยสนีต่ตัวผมเนี่ครับจิดเมื่อครายคลายอ